ต่อเลยต่อเลย <c oughs> จะไหวพระไหวพระเสร็จแล้วจะรับศีลรับศีลเสร็จแล้วก็จะอาราธนาธรรมหรือจะฟังเลยนั่งภาวนาแล้วก็ฟังเลย ว่าพร้อมกันว่าพร้อมกันว่าดังดังว่าพร้อมกัน ขอสินธรรม ส, สมาทานสินและก็วิรัตงดเว้นตามองค์ของสินการที่เราขอสินกันบ่อยๆนั้นก็เป็นการสำรวจตรวจตราดูว่าสินแต่ละข้อที่เราถือมามันขาดเหมือนบินข้อไหนบ้างไม่ใช่สั่งแต่ว่าขอนะสินทั้งห้าข้อเนี่ยข้อไหนบ้างปานาทินนากาเมมุสาสุรา ข้อไหนบ้างที่มันขาดมันบินเราก็จะได้สํารวมระมัดระวังอตอนเช้าขอไปเจองานอีกงานหนึ่งตอนค่ำขออีกสํารวจตัวจตราเข้ามาอีกเอาเป็นอย่างนั้นนะอถ้าเราไม่สํารวจตรวจตราเราไม่วินาทเราไม่งดเราไม่เว้นมันไม่มีเหตุผลตามมามันจึงไม่มี การรักษาสินนะั้นจะต้องตั้งใจวัดตั้งใจเวน้นตลอดระยะหนึ่งปีที่เราตั้งใจรักษาสินมาถ้าเราละเว้นได้ให้เห็นจังจังแต่ละข้อแต่ละข้อโอ้ยได้กำลังใจมากนะอย่าลืมนะสมาทานสินเนี่ยมันเป็นธรรมเนียมก็จริงแต่เราให้เราถือเอาประโยชน์จากธรรมเนียมอันนี้ <c oughs>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 บททางสระนงกัจฉามิธมสระนงัจฉามิสังฆสระนงัจฉามิลุติยัมปบททางสระนงัจฉามิ โนติยัมปีธรรมังสระนองก c จฉามิโนติยัมปีสังขังสระนองกัจฉามิโติยัมปีบุธังสระนองกัจฉามิโติยัมปีธรรมังสระนามิ ตัดที่ยัมป n สังขัง o n g น a ง c ัจฉามิเสรนอกขึ้นนังนิดทวิตังปานอติปัตตาเวระมณีสิกขาประดังสัมาทิยามิ ดินนาดานาเวระมนุสิ่าปะดังสะมาดยามีกามสุมิจฉาจาระเวระมนุสิกาปะดังสะมาดยามี มุสาวาดาเวระมนุสิกาปะดังสัพามิยามีมุสาวาดาเวรมนุสิกาปะดังสัพามิยามสุราเมริยะมจปะมาทานังเวรมนสิาปะดังสาิยามสุราเมริยะมจปะมาัเวรมนสิา จิมานิปัญจสิกาปานิมสิเลนะสุกติยันติมสิเลนะโภกะสัมป达มสิเลนะเนปุติยันติมตัสมาสิลังวิโสทะเยนต่อเลย <c oughs> เราจะลงการทัศนติสถานติอันเจริยังทิวายังพยายามทำสันติธรรมต่างๆนะครับชาติกาเทเสตุทำงานทั้งการปนังการชัอืมนั่งภาวนาฟังเพราะเราจะไม่มีเวลาพานั่งภาวนาต่างหากเราไม่มีเวลาพอให้เรานั่งภาวนาแล้วก็ฟังไปด้วยเลยทุกครั้งเราอบรมเราก็ให้นั่งภาวนาไปด้วย มันไม่เสียประโยชน์มันเป็นการระมัดระวังสองชั้นชั้นหนึ่งก็คือเราตั้งใจนั่งภาวนาชั้นที่สองมันหลุดจากภาวนาไปให้มันไปอยู่กับเสียงเทศมันได้ประโยชน์นะขยับจากเสียงเทศมาอยู่กับภาวนาภาวนางานทั้งสองอย่างนี้เป็นงานเอาบุญเข้าสู่หัวใจเป็นงานลงภาชนะเดียวหัวใจ ตั้งใจทำตั้งใจภาวนาไปไม่ขาดความเคารพเธอไม่ขาดความเคารพดอกไม่ขาดความเคารพจะขาดไปไหนในเมื่อมันนำเราสู่ภาชนะคือใจดวงเดียวเพื่อความสุขเพื่อความเจริญหัวใจดวงเดียวอะไรจะยิ่งใหญ่เท่ากับความสงบไม่มีธรรมะก็ฟังเพื่อความสงบใจภาวนาก็กำเอาจิต เอาคำบริกรรมมากำกับเพื่อความสงบใจประโยชน์ลงันเดียวกันคือความสุขตั้งใจนะตั้งใจนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสมมาสัมบุตถสชนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสมมาสัมบุตถาชนะโมตัสสะภควะโต อระหาโตสมาสัมปุทธาสามกาเลนะธรร ม, มัสวนัง์ปุจจาจะปุจานิยานังเอตัมมังกลมุตตมันตี <c oughs> วันนี้เป็นวาระอีกวาระหนึ่งเป็นพฤหัสแรกของเดือน วันพฤหัสแรกของเดือนสาวาที่นี่กำหนดเป็นวันจัดฟังเทศรักษาศีล น, นั่งภาวนาเฉพาะเวทีนี้เราก็มาเป็นครั้งที่สามแล้วประมาณแล้วเป็นครั้งที่สามแล้วเราก็ดูกลุ่มงานกลุ่มบุญของเราตรงนี้ยังไม่ขยับก้าวหน้าเท่าไหร่นะ วันนี้ดูเหมือนจะลอยหล่อไปอีกแต่หัวใจของคนมีความสำคัญทุกหัวใจหัวใจทุกดวงมีความสำคัญเรามาหนึ่งก็คือความสำคัญหนึ่มาสอมาเท่าไหร่โดยเฉพอะในห้องนี้มีความสำคัญเท่ากันหมดทุกดวงในการที่เราสังสม บ, บรมเอาบุญเข้าสู่หัวใจของเรา เรามามากเรามาน้อยไม่สําคัญแต่ถ้าหาเรามีโอกาสขอให้เราเสียสละหาเวล า, าหาโอกาสเพราะโอกาสที่เราจะได้จัดได้ทําแบบนี้มีไม่มากความเป็นอยู่ของเรานั้นเราบริกุจจนลืมลืมไปหมดลืมรักษาศีลลืมประพฤติ ธ, ธรรมลืมปฏิบัติธรรมบางทีก็ลืมสร้างคุณงามความดีด้วยซ้าไปว่าจะได้ได้ได้ไ ด, ได้อะไรได้เอาหมด ่แบบนั้นก็ถือว่าลืมตัวแล้วด้วยเหตุที่เรารู้โอกาสว่าเราจะมีการรักษาศีลปฏิบัติ ธ, ธรรมฟังเทศเราก็ผู้รีผู้จอตั้งออกตั้งใจสร้างโอกาสให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นกับหัวใจของเราไม่อยากได้ยินคำว่าใกล้เกลือกินด่างมีเกลือแล้วทำไมไม่กินเกลือทำไมไปกินดานอันนี้เป็นสุภาษิตนะเป็นสุภาษิตที่ เป็นเหตุทำให้เราได้ข้อคิดได้เป็นอย่างดีน่าสงสาราสุภาษิตใกล้เกลือกินดาน่างคือสงสารคนที่ลืมโอกาสไม่สร้างโอกาสให้กับตนเองอ ม, มีเกลือแนละ้วทำไมไม่ทานเกลือทำไมไม่ทานทเป็นทไมไปทานดาน่ดางลื้เกลือมันเข้มเกินไปเป็นข้อคิดสำหรับพวกเราทุกคน ระยะนี้ก็เป็นระยะปีใหม่นะปีใหม่วันนี้วันที่ห้าเริ่มปีหนึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งมาถือว่าเป็นวันปีใหม่ท่านทั้งหลายปีใหม่กับปีเก่าจะมีอะไรเป็นข้อแตกตา่างในเมื่อสิ่งที่เกี่ยวข้องกับมวลใจของเราคือความสุขกับความทุกข์ความสุขกับความทุกข์มันขึ้นกับอะไร ความสุขกับความทุกข์ในหัวใจของเรานะี่ยนะเรามีความหวังเรามีความปรารถนาด้วยกันมันขึ้นกับอะไรความสุขกับความทุกข์มันขึ้นกับพฤติกรรมของเราเองปีเก่าก็ตามปีใหม่ก็ตามถ้าเราตั้งใจรักษาพฤติกรรมของเราได้ดีเป็นผู้มีเมตตากรุณาเผื่อแผ่ให้ทานมีคนมีความอุตสาพยายามตั้งใจรักษาศีล พยายามตั้งใจศึกษาธรรมประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมสร้างแต่คุณงามความดีละเว้นความชั่วพฤติกรรมที่เราสร้างเราสมเราอบรมอยู่อย่างนี้ผลตามมาก็จะมีแต่ความสุขความเจริญแต่ถ้าตรงกันข้ามถ้าหาเราไม่รักษาพฤติกรรมของเราลืมศีลลืมธรรมขาดเมตตาขาดกรุณาอาศัยความโลภโลภจนเกินเหตุเกินผล ไม่รู้ว่าสมบัติของเราสมบัติของเขาหาวิธีการเพื่อที่จะแย่งเพื่อที่จะชิงเพื่อที่จะเอามาให้ได้ตามความหวังตามความต้องการของตัวเองไม่มีเพียงพอไม่มีความพอจิตใจดุก ด, ดันมีแต่จะเอาจะเอาอยากได้อยากได้อยากไ ด, กไ ด, กได้ไม่เคยมีวันพอคนประเภทนั้นท่านว่าถึงจะมีสมบัติกองทัาภูเขา ก, เนนกาก็ยังเป็นคนทุกข์นยากยังเป็นคนจนอยู่ แต่ถ้าหากเรามีพออยู่พอกินพอเป็นพอไปแล้วเรามีความเพียงพอความพอก็คือความรู้จักความพอดีความพอดีแสวงหามาเพื่อปากเพื่อท้องเพื่อนุ่งห่มเพื่อใช้สอนเพื่อความอยู่ดีพอดบพอดีแบบนี้เราก็ไม่ถือว่าเป็นเหตุให้เราต้องแสวงหาจนเกินเหตุเกินผลเป็นเหตุให้ไปทําทุกข์ทำโทษทําเวรทํำผา้เกิดกับตัวเองสร้างความวุ่นวายเดือดร้อนให้กับคนอื่น ถ้าเป็นพฤติกรรมแบบนี้ปีเก่าก็ตามปีใหม่ก็ตามเราลองทำเข้าความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวง ก, ก็ตามละมาทันทีเป็นอันว่าถือกติอยากปีใหม่เราก็จะได้ว่าเออปีเก่าที่ผ่านมาพฤติกรรมใดๆบ้างที่เขาที่เราเคยที่เราเคยให้ความสาคัญน้อยไปเจนอย่างศีลห้าเนี่ยฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกรราลพางที่่าสัตวเนี่ย บางทีไม่ได้ยุ่งเราก็เมตตาสงสารมันเราไม่ต้องพูดถึงว่าไปฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าปลาฆ่าอะไรทอะไรเนี่ยนั่ก็ถือว่ามีเมตตามีความการุณาต่อสัตว์ถือว่าเราละได้เราเว้นได้การฆ่าสัตว์แต่ถ้าเว้นให้ได้เป็นอากรินด้วยความสัมรวมสัมรวมในสัตว์ด้วยแล้วเกิดประโยชน์มากคาว่าสัมรวมในสัตว์คือจะทําอะไรก็ต้องต้องคํานึงถึงชีวิตของสัตว์ทุกๆชีวิต ว่าเราเขารักชีวิตสัตว์ทั้งหลายก็รักชีวิตเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายใดๆก็ตามที่จะตายด้วยด้วยเหตุที่เป็นเหตุจากเกิดจากกิริยาของเราโด้วยเจตนาก็ตามไม่เจตนาก็ตามขอสัตว์ทั้งหลายอย่าได้ถูกเราเบียดเบียนอย่าได้รับความเดือดร้อนเพราะกิริยาของเรามีความสํารวมระมัดระวังในสัตว์เคยได้ยินลัทธิลทัลทธิหนึ่งที่เขาถือว่าสำรวมระมัดระวังในสัตว์นะ ลัทธิลัทธิชีเปลือยก็บอกว่าขยับไปข้างหน้าแต่ละก้าวแต่ละก้าวเขาจะต้องมีแส้สลับปัดซะก่อนปัดช็ดเช็ดละวก้าไปปัดชัดเช็ดละวก้าไปปัดเช็ดช็ดแล้วก้าไปเขากลัวไปเหยียบสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยที่มองไม่เห็นตายนี่คือการสํารวมในสัตว์แต่ว่าครูบาอาจารย์ท่านแซกมาว่าไอ้กิริยาที่ไปปัดชัดเช็ดช็ดเขาไม่กลัวว่ามันจะไปถูกสัตว์ตาย แต่มันก็ยังเป็นกิริยาที่สำรวมระมัดระวังในายัตว์มันเป็นความดีตรงนี้มันคือคือข้อดีตรงนี้ข้อที่เราสำรวมธรรมะธระมัดระวังในายัตว์ถ้าเราถือจริงๆแนละ้วเราเห็นประโยชน์ถึงขนาดนั้นนะหนีไม่ค่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ก็เหมือนกันแหละเห็นว่าใครตกอยู่ก็เอาไปประกาศหาเอาไปตามหาว่าของใครตกอทํายังไงจะทําให้เกิดประโยชน์ทําไมจะได้ถึงเจ้าของเขา ถือว่าไม่ใช่สมบัติของเราเขาไม่ให้เราก็ไม่กล้าเอาแบบนี้ถือว่าสมบัติที่เราเห็นว่าไม่มีใครเห็นเราเก็บได้อะไรได้ก็ตามครไม่กล้าถือเอาหรืถือว่าเป็นการสรํารวมในในทรัพย์ของเราของเขารู้จักสิทธิในทรัพย์ของเราของเขารวมไปถึงสามีภรรยาอันนี้คือความเกี่ยวข้องเพราะเราทั้งหลายนั้นเป็นอยู่ เป็นอยู่ด้วยเรื่องกรรมกุณเป็นอยู่ด้วยกรรมกุณคําว่ากามคุณรวมไปถึงรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑธรรมารมสิ่งที่เป็นอยู่เป็นรูปอยู่รอบข้างตัวเราสิ่งที่เป็นเสียงอยู่รอบข้างตัวเราสิ่งที่เป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสเป็นอะไรอยู่รอบข้างตัวเรามีเป็นเรื่องของกามกุณต์กรรมก็คือวัตถุทั้งหลายทั้งพวกเหล่านั้นซึ่งเป็นเหตุให้เรา ยินดีพอใจเอาให้เราให้เราได้เอามาใช้เอามาเอามาสอยแต่กรรมคุณทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นกรรมคุณพื้นๆแต่ยอดของกามคุณก็คือกรรมราคะอันนั้นท่านให้เราสำรวจระ ว, วังระมัดระวังศี่ข้อสามท่านจังให้เราสำรวจระมระวังอันนั้นมันเป็นยอดของกามคุณถ้าตัวนี้ก่อเกิดขึ้นมาในหัวใจเสียจแล้วก็โอ้ยเอาเป็นเอาตายใส่เข้าไปเลย หักไม่อยู่ห้าไม่อยู่เอาเป็นเอาตายก็สู้ไม่ได้ตายไปหักไปข้างหนึ่งมีเรื่องของสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่ทารุณโหดร้ายมากพระยาศรีห้าท่านจึงให้สํรรรารวจระมัดระวังการบริโภคกามนั้นพระพุทธเจ้าท่านถือว่ากามมะขุนทั้งหลายนั้นท่านถือว่าเป็นไฟเป็นไฟเป็นไฟก็จริงอยู่แต่พระองค์เห็นว่าเออแค่ตั้งใจรักษาศีลห้าไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพ ย, ไพย์ไม่พระพึ่งผิดในกาม คำว่ า, มาไม่ประพฤติผิดในการหมายความว่าไม่ได้ให้ไม่ได้ห้ามเราบริโภคการประเภทนี้แต่ให้เราบริโภคแต่ให้บริโภคกับคู่ครองของเ ร, เราไม่ลุกลามไปกับคู่ครองของคนของคนอื่นการบริโภคคู่ครองของตัวเองนั้นท่านบอกว่าเหมือนไฟที่ที่เราใช้อยู่ในเตาไฟที่เราใช้อยู่ในเตามันก็เกิดประโยชน์ เ อ, เอามาหูอามานึง่งมาต้มเอามาติงาา้งมันเกิดประโยชน์ทั้งนั้นแต่ถ้าเอาไฟออกนอกเตาหมายความว่านอกใจสามีนอกใจภรรยาภรรยานอกใ จ, าากใจสามีแล้วเดือดร้อนวุ่นวายมไม่รู้ไปไหม้บ้านไหม้ช่องไหม้เรือนชานบ้านช่องใครไม่รู้แหละแต่ถ้าเป็นเรื่องของศีลแล้วไหม้หัวใจทุกมากเดือดร้อนมากวุ่นวายมาก <c oughs> นี่เราจะเห็น ความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องกรรมคุณทั้งหลายทั้งพวกเราเห็นชัดเราเห็นชัดเรื่องเหล่านี้เห็นชัดในคู่ครองนะ่ยถ้าเรามีใจไม่ได้คิดนึกถึงบุญญาบา ร, รมีจริงๆแล้วเนี่ยเราจะอยู่ด้วยกันยากมากถ้าเราถือตาอํานาจของความอยากแล้วเราจะอยู่ด้วยกันยากการที่เรามีคู่ครองให้เราถือว่าเป็นคู่บา ร, รมีก็แล้วกันถ้าเราคิดว่าสามีภรรยาโดยเฉพาะเราเกี่ยวข้องกับ ภรยาหรือภรรยาเกี่ยวข้อง ก, กับสามีนะถือว่าต่างคนต่างถือว่าเป็นคู่บารมีเป็นคู่บารมีแสวงหาความสุขสุขด้วยกันทุกทุกด้วยกันสุขสขด้วยกันสร้างสมบรรบุญญาบารมีแสวงหาคุณงามความดีด้วยกันแบบนี้ท่านถือว่าเป็นคู่บารมีถ้าหากเรามองคู่ครองเราเป็นคู่บารมี จะทําให้เราเนี่ยเคารพรักในคู่ครองของเราสามีเคารพภรรยาภรรยาเคารพสามีต่างรักใคร่สนองน้ําใจซึ่งกันและกัน <ári us> ไม่กล้าออกนอกลู่นอกทางอ่ไม่กล้าออกนอกลู่นอกทางไม่กล้าไม่กล้าประพฤติล่วงใจซึ่งกันและกันต่างหวังเป็นคู่ครองเป็นคู่บารมีแห่งกันและกันแต่ถ้าเราไม่คิดว่าเป็นคู่บารมีแล้วถ้าเราคิดว่าเป็นคู่บํารุงเป็นคู่บำเรอด้วยแล้ว มันมันเสียโอกาสให้กับกิเลสตันหามันกลายเป็นเครื่องมือของตันหาขึ้นมาทันทีขึ้นชื่ีวิตตันหามันไม่เคยอิ่มมันไม่เคยพอพระพุทธเจ้าท่านจึงยกเปรียบเทียบไปที่น้ําในมหาสมุรนัตทิตันหาสมานทีแม่น้ําเสมอโดยตันหาไม่มีอันนี้คือความสุขพื้นพื้นที่เราจะพึงแสวงหาตลอดปีใหม่ก็ตามปีเก่าก็ตามปีใหม่ที่เราจะ เป็นไปครั้งหน้าตลอดพศ .60 นี้ก็ตามถ้าเราตั้งใจสำรวมพระมะระวังได้อย่างนี้เราประสบความสุขความเจริญแน่นอนทำไมความทุกทุกโทษระหว่างคู่าสามีกับภรรยาถึงมีทุกโทษมากถึงขนาดนั้นถึงกับบ้านแตสแกสลรขาดถึงขนาดนั้นท่านถือว่าสิ่งเหล่านี้ในเมื่อเรา มีเป็นคู่ครองยิ่งตั้งเป็นคู่ปรามีกันด้วยแล้วเนี่ยยิ่งเราถึงสำบวารระมัดระหวังมากถ้าถือว่าสามีเป็นสมบัติของภรรยาภรรยาเป็นสมบัติของสามีถ้าต่างคนต่างนอกใจกันท่านถึงว่าขโมยสมบัติของการกันไปบํารุงบําเรอคนอื่นมีเป็นทุกข์เป็นโทษมากแค่เข้าใจผิดกันเท่านั้นเองทําให้เราบ้านแตสแกสลายขาดกันง่ายๆในเมื่อเราบ้านแตสแกสลายขาด มีลูกหนึ่งมีลูกสอโอ้ลูกของป้านแตสแกสลายขาดโอ้ลูกขาดที่พึ่งมีเจอเจอมาเป็นมากต่อมากแล้วแหละสามีภรรยายอยู่ด้วยกันไม่ยืดยาวพอมีลูกมาหนึ่งขวบสองขวบสามขวบแต่กันเล่าแต่กันรักทิ้งให้ทิ้งให้ปู่ทิ้งให้ยา่าหรือทิ้งให้ตาทิ้งให้ยายเป็นคนเลี้ยงปูย่ย่าตายายก็ไม่ค่อยจะมีกริกกระใจจะเลี้ยงลูกบอกสอนลูกหลานได้ได้เท่าไหร่ก็จะรักรักปล่อยให้ลูกหลานเนี่ย เล่นตามอัธยาศัยเล่นไปเล่นมาอะไรที่มันโน้มเอียงอยู่ใกล้มือใกล้ตีที่สุดสักหน่อยหนึ่งติดยาบ้าแล้วตายแล้วนี่แหละคือทุกโทษทุกยากเด็กก็ทุกทรมานไปเรียนหนังสือก็เรียนไม่จบคิดนึกเรื่องเรื่องเหล่านี้นี่คือทุกโทษที่จะพึงตามมาสิ่งนี้ก็คือพฤติกรรมที่เราควรจะรักษาอย่างไงเราถึงจะมีความสุขความเจริญ รวมไปถึงว่าไม่พูดเท็จพูดอย่าพูดสาเสือดรวมไปถึงว่าไม่ดื่มชุราเมลัยบางคนก็ไม่ถูกเลยแหละกับดื่มชุรากับเมลัยแต่บางคนเน่ยติจนเป็นอากจริงจนเลิกไม่ได้แม้แต่ไปวัดยังแอบไปจิบจิบเมาตาแดงอยู่ในวัดบางค น, นเป็นอย่างนั้นเลิกไม่ได้จริงจริงจิ้งข้อสุดท้ายคือข้อห้าอยู่แล้วต้องถือว่ามีโทษหนักมีโทษมากเพราะ สุรานะมันทําให้เราหมดสติขาดสติขาดสัมผััญญะคาว่ า, าสติก็คือตัวเครื่องไม้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ชั้นเยี่ยมของจิตของเราที่เราจะเอามากํากับจิตของเราเพื่อที่จะพัฒนาจิตของเราให้เป็นไปได้ด้วยดีแต่ถ้าหากเราทําให้เราขาดสติกินเหล้าเมาไปแล้วทําให้เราขาดสติไปแล้วเนี่ยไม่มีสติไม่มีสัมผััญญะขาดความระมัดระวังอ ขาดความสัมรวมขาดความประมัดระวังลืมสติฆ่าสติขาดความยับยั้งชั่งชั่งใจพอที่จะฆ่าก็ฆ่ า, าได้พอที่จะลักก็รักได้ง่ายๆพอที่จะผิดรูปผิดผัวผิดเมียใครก็ผิดง่ายๆ เ, าเก็บเก็บความสัตส์ความซื่อไม่อยู่พูดทําร้ายพูดพูดกระทบกระแทกได้นันเป็นเหตุผิดข้องมองใจฆ่าแกงกันแล้วกัน เป็นเหตเพราะว่าเราขาดสติขาดสัมปชัญญะกำกับควบคุมคนเราพอจะเป็นผู้เป็นคนได้ก็เพราะว่าเรามีสติมีสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นในหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านจึงเอาให้ยกเอาสติมาเป็นหลักใหญ่ในการประพฤติในการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการรักษาศีลไม่ว่าจะเป็นการเจริญสมถะไม่ว่าจะเป็นการเจริญวิปัสสนาท่านเอาให้เอาสติไอ้สัมปชัปชาญญะนี่แหละมากํากับประกอบกับผู้รู้คือจิตของเรา จิตของเราคือธาตุรู้คือผู้รู้อถึงแม้ว่าจะไม่มีสติกํากับไม่มีสัมผชัญญะ ก, กํากับธาตุรู้ผู้รู้ก็คือจิตของเราอยู่นั่นเองแต่หากว่าทําอะไรสเปรย์สะปะไม่เป็นไปตามเจตนาที่เราทําอาจจะผิดอาจจะถูกเพราะฉะนั้นถ้าหากเราตั้งใจสํารวจระมัดระวังเราก็สามารถเป็นไปในสิ่งที่ดีที่งามได้แต่ถ้าตรงกันข้ามแล้วหลงลืมอ ชุกลืมชุกคิดประเดี๋ยวกระดาวขึ้นมาเออเาเรียกว่าลืมสติขาดสติขาดสัพพัญญาเพราะฉะนั้นะท่านจึงให้ให้ให้ท่านจึงถือว่าศินข้อห้าเยไม่ไม่ดืม้มสุรามีอะไรนะจริงเป็นเป็นข้อเดียวที่ว่าเรามดได้เราเว้นได้ก็ช่วยอย่างอื่นเราไปได้หลายอย่างแต่ถ้าเรามาติดเรื่องเดียวเนี่ยอย่างอื่นอาจจะล้มไปหมดเลยก็ได้ข้อ1ก็ผิดง่ายข้อ2ข้อ3ข้อ 4, ผิดง่ายทั้งหมด ถ้าเราผิดข้อห้าข้อเดียวข้อห้าเราไม่ผิดเราไม่ติดเหล้าไม่ชอบเหล้าแต่บางทีชอบพ น, นันบางทีก็ชอบเล่นชอบพ น, นันยิ่งพ น, นันด้วยแล้วยิ่งยิ่งร้ายกาดพ น, นันด้วยแล้วเนี่ยหมดไม่มีที่อยู่ไม่มีที่อาศัยหมดบ้านหมดช่องหมดที่ดินเพราะมันยิ่งยิ่งกว่ยาเสพติดด้วยซ้ําไปเรื่องการพ น, นันทั้งหมดนี้คือพฤติกรรมที่เราจะพึงแสวงหาความสุข ถ้าเราไม่แสวงหาไม่ลักไม่งดไม่เว้นความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงไม่สําคัญว่าปีเก่าปีใหม่ให้เราจับมาให้ความสําคัญที่พฤติกรรมของเราพฤติกรรมทางโลกเราทํอาหากินพอเราได้สมพออยู่พอกินเราก็มีความสุขได้มาใช้ไปได้มาใช้ไปได้พออยู่พอใช้มีความพออยู่พอใช้เพียงพอท่าเรียกว่า พอมีความสุขพอเป็นพอไปพออยู่พอเป็นพอไปแต่ถ้าหากเราแสวงหาถ้าหากเราแสวงหาให้ให้ถึงความสุขจนลืมสินลืมธรรมเรื่อยแล้วแทนที่จะได้ความสุขอาจจะประสบความทุกข์ก็ได้เพราะเราเอาในสิ่งที่ไม่ควรเอาเราทำในสิ่งที่ไม่ควรทำผิดสินผิดธรรมสิ่งที่ตามมาคือความทุกข์ความเดือดร้อนความหุนหวายความสุขในชีวิตนั้น มันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมที่เรามีศินกํากับควบ ค, คุ้มครองดูแลกับการทำมาหากินมีอยู่มีกินมีใช้มีสอยพระพุทธเจ้าท่านอุบัติมาเพื่อที่จะนําพวกเราเข้าไปหาสู่ความสุขความเจริญอย่างแท้จริง <c oughs> วิธีแสวงหาความสุขอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านให้แสวงหานั้นได้รับความสุขเร า, าเอาศินของพระองค์มาถือมาประพฤติมาปฏิบัติ เราก็ได้รับความสุขความเจริญขั้นหนึ่งระ ด, ดับหนึ่งแต่ความสุขที่จะทําให้ถึงอกถึงใจได้อย่างรวดเร็วก็คือการตั้งใจภาวนาการตั้งใจอบรมจิตของเราเองอบรมจิตของเราให้ได้รับความสงบที่เรียกว่าเจริญสัมผัสคือภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธไม่นึกตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสตามสัมผัสไม่ต้องไปว้าวุ่นไปตามมันถ้าให้หยุด เพราะการที <información, S 2> 2020, ่เรานึกว like right ouais. ิ nee ่งวุ่นไปตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสตามสัมผัสนั้นอ่ะมันเป็นการอํานวยไปกับอำนาจของกิเลสของตัณหากิเลสของตัณหานั้นมันวิ่งมันวิ่งใจของเรามันออกออกไปหารูปหาเสียงหากลิ่นหารสหาสัมผัสพระพุทธเจ้าท่านพยายามสงบระงับกิเลสตัณหาในหัวใจของเราท่านจึงให้หยุดหยุดกับคําว่าพุทโธพุทโธพุทโธเอาพุทโธมาเป็นเครื่องดําริมาเป็นเครื่องเครื่องบริกรรม ประบริกรมพุทโธพุทโธพุทโธประคอพุทโธแล้วประคองมีสติกำกับวิสัพัญญะกำกับให้จิตของเราอยู่กับคำว่าพุทโธให้สติให้สัพพัญญะกำกับอยู่กับคำว่าพุทโธอยู่กับจิตผู้ตื่นผู้รู้อยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธบริกรรมอยู่นั่นแหละเหมือนอย่างที่เราตั้งใจภาวนาตั้งใจบริกรรมอยู่นั่นบริกรรมไปยังไง ก็ไม่เห็นสงบบริกรรมไปยังไงก็ไม่เห็นอิ่มขอให้เราตั้งอกตั้งใจทำให้เต็มร้อยไม่ใช่เราทำเครื่องกลางๆแล้วจะให้เขาสงบจะให้เขาหยุดจะให้เขาอิ่มเขาอิ่มไม่ได้ดอกถ้าเราทำไม่เต็มที่เราหยุดได้เต็มร้อยพุทโธอยู่ับพุทโธได้เต็มร้อยไม่ใช่พุทโธหนึ่งเยบไปแล้วพุทโธหนึ่งกรแวบปอกไปแล้วพุทโธหนึ่งกรแฟบปอกไปแล้วไม่ใช่ พุทธจกพุทธไปหาโธจากโธไปหาพุทธจะพูดไปหาโธจากโธไปหาพุทธไม่ให้มันเผลอไม่ให้มันคลาดไปจากความรู้คือสติสัมปชัญญะกำกับจิตของเราอยู่จิตของเราเมื่อจิตของเราเริ่มอยู่จิตของเราก็จะเริ่มอิ่มจิตของเราก็จะเริ่มมีความสุขจิตมีความอิ่มจิตมีความสุขทําจนชำนิชำนาญทําบ่อยครั้งจิตชานาน แค่เรากําหนดพุทโธพุทโธจิตก็สงบแนว่วแป๊บเดียวจิตก็อิ่มจิตอิ่มหมายความว่ า, วาจิตไม่หิวจิตมันหิวรูปหิวเสียงหิวกลิ่นหิวรสหิวสัมผัสจิตมันออกไปหารูปหาเสียงหากลิ่นหารสหาสัมผัสเพราะมันหิวทีนี้การที่เราบริกรรมพุทโธพุทโธมันเป็นอารมณ์ของธรรมมันเป็นอาหารของจิใจเมื่อเราบริกรรมบ่อยครั้งกําหนดจดจ่อต่อเนื่อง จิตขอเรามันอิ่มที่จะเรียกว่าปีติปีติคือความอิ่มลองทําให้อิ่มลองดูอิ่มกายแล้วก็อิ่มใจอิ่มใจแล้วก็อิ่มกายอิ่มใจก็คือตันหามแทรกเข้ามาไม่ได้อถึงแม้ว่าเราจะไม่ทำดิพุทโธจิตไม่ไปจิตอยู่กับเนื้อกับตัวจิตกับกายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันใจก็อิ่มกายก็อิ่มเออไม่จิตมันอยู่แล้ยจิตมันไม่หิวจิตไม่หิวหมายความว่า ตัญหาแทรกกิตไม่ได้นี่คือความสงบที่บุรุษย า, านถนาให้สวัสดิ์และก็ความสุขความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบนั้นเป็นความสุขที่บอ่อยสุดไม่ใช่เป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากยินดีกับการยินดีการพอใจอาการถูกใจอะไรต่ออะไรสารพัดเนี่ยที่ท่านเรียกว่าสุ ข, ขเขมรธาณะเป็นความสงบสงบาก รูปจากเสียงจากการนึกการคิดทั้งหลายทั้งปวงอยู่ ก, กับอารมณ์หนึ่งเดียวอิ่มร่อยู่นั้นดีจิตเริ่มมีพลังจิตเริ่มมีอานุภาพจิตตานุภาพคือพลังของจิตพลังของจิตเกิดขึ้นจากจิตมีความสงบนี้เองการที่เราตั้งใจทำอย่างนี้มันเป็นการพัฒนาจิตเมื่อเราพัฒนาจิตของเราได้แล้วมีสติกํากับมีสัมผัสฉันยะกํากับจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอน จะทํางานการใดๆก็ตามเกื้อกูลกับประโยชน์ทั้งทางคดีโลกและทางคดีธรรมทางคดีธรรมนับตั้งแต่อามาเจริญส ม, มุทฐาทมไปจนถึงเจริญวิปัสสนาธรรมเกื้อกูลไปจนถึงที่สุดวิมุตติหลุดพ้นถึงมากถึงผลถึงนิพพานเนี่ยการพัฒนาจิตตามหลักที่พระพุทธเจ้าท่าสอนนั้นมันจะมีการพัฒนาเกื้อกูลไปจนถึงที่สุดวิมุตติหลุดพ้น เมื่อมีสติเต็มที่เต็มร้อยจนสามารถประคองจิตดวงนี้กํากับดูแลเหนียวแน่นมั่นของพิจารณาเห็นทุกเห็นโทเห็นภัยของจิตสามารถละกิเลสตัณหาวิชชาได้ทั้งหมดเป็นผู้มีสติสมบูรณ์จิตดวงนั้นเป็นจิตที่มีสติกํากับสมบูรณ์โดยหลักธรรมชาติสติวิปุระสติวิปุระท่านเลยสติเต็มสติสมบูรณ์สติวิปุระวิบูรณ์สมบูรณ์ สติสมบูรณ์พระอรหันต์ทั้งหลายพระสาวกอรหันตสาวกทั้งหลายท่านเป็นผู้มีสติสมบูรณ์สมบูรณ์โดยที่ไม่ต้องตั้งอย่างพวกเราเนี่มันไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นเราจะทําอะไรจะต้องจะต้องพยายามตั้งสติขึ้นมาตั้งสติกําหนดจดจ่ออยู่นั้นพอเราครั่งคลังเผลอเผลอสนัเอาลุดไปแล้วตั้งม่อีกลุดไปแล้วตั้งใหม่อีกตั้งอยู่อย่างนั้นตั้งหนักหนเข้า เอามาใช้กับหลักที่พระพุทธเจ้าทั้งสอนเกี่ยวกับเรื่องสมถะสมถะจับทําให้ใจไดครับความสงบได้รับความสุขเร็วความสุขอันนี้แหละเป็นวิบากติดเนื้อติดตัวเราอัตภาพร่างกายของเราไม่คงที่มันเปลี่ยนไปจากวัยนะดูอย่างปีใหม่มานี่ยหมดไปแล้วอีกปีหนึ่งปีหน้าก็หมดไปแล้วปีหนึ่งปีใหม่ที่ไยก็หมดไปอีกปีหนึ่งปีไหนใหม่ที่ไรก็หมดไปอีกปีหนึ่งหมดไปเรื่อย ัอเจริญถึงที่สุดก็เริ่มเสื่อมสังขารร่างกายของเราของท่านทั้งหลายมันก็เริ่มเสื่อมเราเห็นเราอยู่ที่นี่อยู่ที่โรงพยาบาลคนเกิดก็เกิดที่นี่คนแก่คนเก็บคนตายมีอยู่ที่นี่ทั้งหมดนี่มันเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสังขารนั้นเกี่ยวกับเรื่องกองสังขารมีเกิดขึ้นมีเจริญขึ้นเจอเจริญในว้ที่ควรเจริญแล้วก็เสื่อมใน ว, วันที่ควรเสื่อมเรามีวิชา ก, การเรามีหมอ ชะลอความเจ็บความปวดได้ชะลอความโรคภัยไข้เจ็บบางอย่างได้แม้แต่ความแก่ความแก่เราก็ชะลอเป็นชะลอพอจะได้บ้างด้วยยุกด้วยยาด้วยการบำรุงบำบัดดูแลรักษาให้ดีความตายเราก็กพอจะชะลอได้บ้างแต่จะไม่ให้มันแก่มันเจ็บมันตา ย, ยนั้นห้ามห้ามไม่ได้เพราะสิ่งอันี้มันจะต้องแก่มันจะต้องเจ็บมันจะต้องตาย ถ้าหากไม่สแสวงหาคุณงามความดีเข้าขสูงวิจัยอย่างนี้บางทีคุณสมบัติเหลือไ ม, ไม่เท่าเดิมด้ว ย, ว ย, วยแล้วไม่มีโอกาสที่จะได้เป็นมนุษย์อีกสมบัติเหลือไม่เท่าเดิมหมายความว่าหลงเพลินกับการทํามหากินจนลืมศินลืมทำลืมผิดลืมชอบลืมชั่วลืมดีหลงเคลิ้มไปเป็นเหตุฆ่าสัตว์บ้างลักทรัพย์บ้าง เป็นนี่เป็นศีลขึ้นรองขึ้นศาลทะเลาะเบาแวง่งฆ่าแกงกันต่อกันและกันนี่หาหาแต่ความชัว่วฉ ะ, ะ้นก็ความทุกข์ทั้งหลายก็มาทับถมหัวใจไม่รู้จะจบไม่รู้จะสิ้นชีวิตก็ล่วงไปชีวิตก็ผ่านไปด้วยเหตุที่พฤติกรรมที่เราทำเราทำไม่ดีเหลือคุณสมบัติเป็นมนุษย์ไม่พอไม่พอที่จะได้เป็นมนุษย์แต่ร่างกายมันแก่ไปแก่ไปในสุ่ก็ตายตายแล้วเกิดใหม่ไม่ได้เป็นมนุษย์แล้วทีนี้เพราะคุณสมบัติไม่พอ เป็นควายเป็นวัวเป็นสัตว์นิรันดร์เป็นหมูเห็ดเป็ดไก่ไปตามเรื่องนี่คือสัตว์นิรันดร์สัตว์นิรันดร์เขาก็ถ่ายไปถ่ายมาจากเรานี่เองเขาก็มีธาตุรู้เหมือนกันควายวัวช้างมา้าเนี่ยเขามีธาตุรู้เขามีจิตเหมือนเรามือนถ่ายกันไปถ่ายกันมาพวกเราทราบดีว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนถึงการเวียนว่ายตายเกิดเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตาย มันเปลี่ยนไปแม้แต่ภพชาติก็เปลี่ยนไปความเป็นอยู่สุขทุกข์ของเราก็เปลี่ยนไปภพชาติที่เราจะพึงได้ก็เปลี่ยนไปสิ่งที่ทำให้แตกต่างก็คือทำชั่วกับทำดีแต่ทำชั่วทําให้แตกต่างได้ผลไปในทางที่ดีที่งามที่สุขที่เลิศที่ประเสริฐการทำไม่ดีทำชั่วทำเลวผิดศีลผิดธรรมทำให้เราตกตา่าไม่พอจะได้คุณสมบัติเป็นมนุษย์ไปเป็นสัตว์ในฉาทุกอย่างลำบากกันดาน ต่ำลงไปมากกว่านั้นไปเป็นเปรตสัตว์อสุรกายทั้งหลายทั้งปวงตกนรกขุมนั้นขุมนี้กนะว่าจะหลุดกว่าจะฟื้นมาต้องทนทุกข์ต้องทรมานนะตามบุญตามกรรมที่ที่จะกองไปทำเอาไว้เหลือสมบัติไม่พอจะเป็นมนุษย์เราดูเถิดความทุกข์เวลามันเกิดขึ้นขึ้นในหัวใจของเรามันทุกข์มากน้อยขนาดไหนเพียงไรเราเห็นเห็นสัตว์เขาเกิดท่วมโลกเราแม้แต่เราเลี้ยงอย่างดีเป็นแมวเป็นสุนัขอย่างนี้นะ บางตัวมันอาจจะอะไรขาหักเอวหักเนี่ยหรือจะของเผลอถอยรถเหยียบนี่เอวหักเราเคยเห็นเคยเห็นหลายตัวเมื่อวานก็ไปเ ห, หเห็นอีกตัวหนึ่งเมื่อวานเห็นอีกตัวหนึ่งสองขาข้างหลังเขาเนี่ถูกรถทับหรืออะไรตายหมดหละเหลือขาสอข า, ขาเขาพยายามเดินจะให้เดินเหมือนเหมือนกับคนหละพยายามไปยงขึ้นมาเพื่อที่ให้พ้นของเขาเพือ่อให้ขาข้างหลังของเขาเนี่ยพ้นจากพื้นดิน มันก็พ้นบ้างราบบ้างคนบ้างลาบบ้างมันก็ขาดมันก็เป่อยมันก็เป็นแผลเปื่อบ่าอยู่นั่นแหละบางครั้งถูกพวกแมงป่วนไปเจอบมีหนอนเจอบยัวเราเคยเห็นนอนมันเจอบจนเน่าเน่าหมดทั้งตัวข้างหลังแต่ตัวมันยังไม่ตายมันใช้ขาสองขานี่คลานเข้าไปขยับเข้าไปกลืนเข้าไปไปหาแทะขาเล็มหาเรียหาอะไรก็ตลอดนี่คือกองทุกข์ของสัตว์ช่วยตัวเองไม่ได้แม้แต่ตัวที่เขาเลี้ยงได้ดีที่สุดมันก็ทุกอย่างนั้นแหละ ม่รู้วมันเจ็บหรือไม่รู้ว่ามันป่วยไม่รู้มันหิวไม่รู้มันอะไรอะไรเนี่ยมันต้องอาศัยเจ้าของเลี้ยงมันหมดแต่ถ้าหากเราเป็นมนุษย์นี่เราเป็นผู้มีคุณสมบัติที่เป็นผู้มีมนุษย์สมบัติยิ่งเราเป็นมนุษย์ชั้นกลางกจนเป็นประเภทที่มนุษย์ชั้นมีปัญญาด้วยแล้วเป็นมนุษย์ชั้นปัจฉริยะมนุษย์ด้วยแล้วก็ถือว่าเป็นมนุษย์ที่มีบุญแต่ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นมนุษย์จะไม่เท่ากันเพราะคุณสมบัติในใจนั้นไม่เท่ากัน นี่แค so ่เป็นมนุษย์เราก็มีความสุขมีความทุกข์ไม่เท่ากันเราไม่ต้องพูดถึงว่าถ้าหากเราไม่เป็นมนุษย์เราจะทุกข์ยากลำบากขนาดไหนเพียงใดเป็นสัตว์เป็นฉานบางทีน่นเป็นเป็ดเป็นไก่เดี๋ยวจะมาเชือดคอแล้วเดี๋ยวก็จะมาเชือดคอแล้วเดี๋ยวก็จะมาเชือดคอแล้วทุกข์ขนาดไหน่ะทุกกลัวตายความกลัวตายมันทุกข์ทุกข์ขนาดไหนถ้าเราคานึงคำนวณถึงสิ่งเหล่านี้บ้างเราจะไม่ลืมสิ่งไม่ลืมทํา เราจะไม่ลืมสํารวมระมัดระวังในพฤติกรรมของเราพฤติกรรมของเราเท่านั้นแหละที่ทําให้เรามีความสุขไม่เหมือนเดิมมีความทุกข์ไม่เหมือนเดิมเราพยายามรักษาศีลตั้งใจรักษาศีลตั้งใจประพฤติธรรมตั้งใจปฏิบัติธรรมมีความเจริญงอกเงยทางด้านศีลธรรมความสุขในหัวใจของเราก็จะเพิ่มขึ้นมากขึ้นเป็นความสุขที่ติดพบติดชาติเป็นวิบากกรรมตายไปแล้วมีพบมีภูมิ ที่ดีที่ดีที่เราจะพึงเป็นไปได้ดีละเอียดขึ้นไปหนุนไปเกิดบนสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนั้น5ชั้นหกชั้นชาตุมชาตุมดาวดึงยามาเนี่ยตั้งบุกตั้งใจให้ทานอย่างเต็มที่ตั้งใจรักษาศีลอย่างเต็มที่แต่ไม่ได้เผ่านาเป็นคนประเภทชั้นดีตายไปแล้วเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์แต่ก็ยังบริโภคกามอยู่เกี่ยวข้องกับรูปกับเสียงกับเปลี่นกับรถกับสัมผัสอยู่บนสวรรค์ แต่ถ้าเราตั้งใจภาวนาเราไม่เกี่ยวข้องกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับสัมผัสแค่เราตั้งใจภาวนาใจสงบเท่านั้นเองเราไม่ีสิ่งอะไรนี่เป็นคุณสมบัติตายแล้วเราไปเกิดในพรหมโนกมีความสุขกับอารมณ์หนึ่งเดียวอิ่มเอิบอยู่อย่างนั้นแหละไม่ต้องไปยุ่งกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับไม่ต้องไปแสวงหาอะไรไม่ต้องไปยุ่งยากวุ่นวายกับอะไรอย่าลืมมากขึ้นชื่อว่าวัตถุการมวัตุกามไม่เคยประณีปรสายใคร แม้เทเทวดาบนสวรรค์ก็ยังแย่งกันแย่งกามกันอานางเทพที่ดานางหนึ่งงามมากไปบำบัตดถ้ำกลางเส้นแบ่งระหว่างเทวบุตรสองตนค น, คนหนึ่งก็ว่าของตัวคนหนึ่งก็ว่าของตัวเทวดาต้นหนึ่งก็ว่าขอ ง, อของเราเทวดาอีกต้นหนึ่งก็ว่าขอ ง, ขอ ง, ของเราทะเลาะกันมีเรื่องถึงพระอินทร์พระอินทร์ก็ไปพิพากษาพระอินทร์ไปเป็นไปเห็น เทพที่ดางนางนี้แล้วโอ้ยงามมากเลยแล้วก็ถามท่านทั้งหลายเห็นนางเทพที่ดานางนี้แล้วเป็นไงเพราะนั้นก็ว่าของตัวเองเพนั้นก็เ ถ, ถียงว่าเถียงไปเถียงมามูลีเกิดขึ้นในระหว่างเส้นแบ่งมรุ่นลุ่ลเป็นของใครพระเอ็นก็เลยต่อว่าอเราเนี่ยถ้าเราไม่ได้นางเทพที่ดานางนี้เราตายแน่แนเที่ยวพระเอ็นคว้าไปจ่อยเนี <laughs> ่ย นี่คือกามมันก็มีความเป็นอยู่อย่างนี้แหละ <c oughs> ถ้าเราอยากเลิดอยู่เราก็จะต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้อย่างนี้เรามีความสุขอยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวคือภาวนาเพราะฉะนั้นนักภาวนานักสนใจรักษาศีลประพฤติทำปฏิบัติทําให้ยิ่งขึ้นไปจะมีความสนใจเรื่องการภาวนาทําใจได้ไดไดรับความสุขภาวนาภาวนาที่นู่นภาวนาที่นี่เนี่ยช่วงปีใหม่เนี่ย พาพากันไปภาวนาไปภาวนาที่โน่นไปภาวนาที่นี่วัดมน้นวนอนวันนี้วันนี้ไปภาวนาไปกราบครูบาอาจารย์ไปนั่งภาวนาไปนอนหนึ่งคืนสองคืนไปภาวนาไปพัฒนาจิตให้ได้รับความสงบเมื่อจิตได้รับความสงบจิตมีผลมีวิบากกรรมทาให้ชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบันของเราเยอยู่เย็นเป็นสุขเป็นผู้มีอริยสัพพิตตัวอย่าลืมว่าอริยสัพหล่านี้มันช่วยดึงดูดรัพนะ อริยทรัพย์เหล่านี้มันช่วยทําให้เรามีความสุขมีความเจริญทําให้เราไม่เดือดไม่ดานมีจิตใจอ่อนน้อมอ่อนโยนมีจิตใจเผือแผ่ตั้งใจให้ทานตั้งใจรักษาศีลมีโอกาสทําใจให้ได้รับความสงบตั้งใจประพฤติธรรมตั้งใจ ป, ปฏิบัติธรรมจนมีวิบากเป็นวิบากกรรมติดเนื้อติดตัวเวลาใกล้กับตายอารมณ์เหล่านี้เราก็มาทำพูนทำพันเข้า จิตอยู่ในอารมณ์ฉานตายปุ๊บเป็นอาสานกรรมในตอนนั้นนู่นมันเกิดบนพรหมโลกมันต้องไปเกิดในโลกที่จะเป็นจะต้องไปสเสวกหากรรมต้องไปแก่งแย่ ง, ก, งกามขุนกันทั้งหลายอีกมันไปเป็นเทวดาวสวุวรรษชนผมเห็นทุกเห็นโทษเต็มที่พิจารณาให้เห็นตามหลักอนิจจังทุกขังของนัตตาที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนเนี่ยเราก็จะได้ขยับเข้าไปอย่างน้อยเราก็ได้กลายเป็นกาลยาณชน เป็นพูดตั้งใจขวนขวายปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบานันอู้นี่เขไม่ใช่ธรรมด า, าเป็นนี่คือเยี่ยมตั้งอกตั้งใจบําเพ็ญภาวนาเพื่อให้ให้ได้เข้าถึงกระแสธรรมคาว่าเข้าถึงกระแสธรรมหมายความว่ามีจิตใจอ่อนน้อมยอมรับกระแสที่บุรุษชาติท่านสอ น, ส ว, น, ส ว, นว่าโอ้บรรดาวัตถุทั้งหลายทั้งปวงเลยเรไม่ว่าจะเป็นโลประธรรมไม่ว่าจะเป็นนามธรรมเป็นวัตถุที่ ประกอบไปด้วยสารสมันยานักษณะคืออนิจจังทุกขังอนัตตาท่านให้ดูกองสังขรารนับตั้งแต่กองสังขรารคือตัวเราเป็นต้นไปดูให้เห็นทุกเห็นโทษคืออนิจจังทุกขังอนัตตา้วยเหตุที่เรามองไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นเองเป็นเหตุให้เรายึดและเกินถือเหลือเกินยึดถือว่าเรายึดถือว่าตัวของเรายึดถือว่าอัตตาตัวตนของเราด้วยเหตุที่เรายึดเราถือนี่เองความถือเนื้อถือตัวมันก็เกิดขึ้น เกิดมีใหญ่เกิดมีน้อยเกิดมีสูงเกิดมีต่ําเกิดมียศมีศักดิ์มีเกียรติมีอะไรขึ้นมาเรียกว่ามันยิ่งมันยิ่งกว่ากันมันเลิศกว่ากันมันมีเลวกว่ากันมันมียิ่งกว่ากันมันมีเสมอกันด้วยเหตุที่เราถือเหล่านี้ด้วยเหตุที่เราถือเหล่านี้เองจึงเป็นเหตุว่ามีดีกว่ากันมีเสมอกันแล้วก็มีเลวกว่ากันเพราะฉะนั้นการถือการยึดการถือของเราถ้าสรุบลงไปแล้วมันมีอยู่สามอย่างนี่แหละ หนึ่งถือว่าเราเลื่นกว่าเขาดีกว่าเขาดีโดยที่ว่าเราดีจริงๆรสองโอ้เราเสมอเขาว่าเสมอเขาจริงๆโอ้เราเร็วกว่าเขาโอ้เราเร็วกว่าเขาจริงๆแต่ด้วยเหตุที่เรามีความถืออยู่อย่าบึกอยู่เหล่านี้มีกิเลสตัณหานุสัยอยู่ในใจของเราทําให้เกิดข้อเปรียบเทียบยึดถืออยู่นั้นแหละไม่จบไม่สิ้นมองเห็นกายแต่ยึดว่าเป็นกายเราเห็นเขาก็เห็นว่าเป็นกายเขากายเขานั่นคือของของเรา กายเรากายเขากายเขาคือของของเราแตงคนต่างก็ยึดกันไปยึดก hey, ันมายึดกันไปยึดมายึดกันไปยึดกันมาแต่ยื้อแย่งกันยื้อแย่งกันแล้วก็แก่งแย่งกันแล้วก็แข่งกันดีกันแล้วก็ถือเนื้อถือตัวเข้าหากันเพราะอะไรเพราะเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนไม่เห็นมันเปลี่ยนไปรู้ที่เจ้าท่านเอาข้อไหนมาตรัสว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนท่านบอกว่าร่างกายของเราถ้ามันเป็นเราเราต้องบอกก็ได้ด้วยเหตุที่เราบอกไม่ได้เราบังคับไม่ได้ จึงไม่ใช่เราบังคับอะไรบอกอะไรเราบังคับไม่ให้แก่บังคับไม่ได้บังคับไม่ให้เจ็บบังคับไม่ได้บังคับไม่ให้ตายบังคับไม่ได้ไปบังคับบังคับคนของเราพ่อของเราแม่ของเราพี่ผัวสามีภรรยาลูกเต้าของเราไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บให้บังคับไม่ได้เวลาแก่มาถึงเวลาเจ็บมาถึงป่วยไข่เวลาตายมาถึงเป็นไงทุกทั้งหลายทุกปวงก็ตามมา โดยเหตุที่เราปล่อยไม่ได้นี้เองเราไปยืดยืดยืดยดโดยเหตุที่เรายืดยืดยึดความทุกข์ทั้งหลายกำทับท่วมหัวใจของเราท่านจึงให้ดูให้เห็นอนนี้อางทุกขันธนักตาท่านให้ภาวนาใหใจไดรัความสงบเอาใจที่สงบนี่นแหละมาพิจารณามาดูกิริยาของสังขารของเราการหาพิจารณาเราก็ย้อนมาดูกองสังขารของเรานี่แหละเพื่อจะได้เป็นเครื่องมือเป็นกรรมฐานได้อย่างง่ายๆเราดูเราอยู่เราอยู่เท่าเดิมไหมเราเนี่ยเราเรากิดในท้องแม่ด้วยกันทุกคน เป็นก้อนน้ําใสๆธาตุพ่อธาตุแม่ประกอบกันอยู่ในท้องแม่ขยับขึ้นมาโตขึ้นมาโตขึ้นมาโตขึ้นม า, นมาเราดูให้ให้เห็นอุปมาอนี้นะกองน้ําใสๆกองนั้นไม่เคยอยู่เท่าเดิมมาเลือเป็นน้ำคุณคุณเป็นน้ําน้างเลือดเป็นก้อนเลือดเป็นก้อนเนื้อเป็นปัญจสาขาอ่ามีหัวมีลําตัวมีแขนสองมีขาสองอยู่เจ็ดเดือนแปเดือนเก้าเดือนหายวะครบสามสิบสองแล้วมัคลอดออกมาเคยอยู่เท่าเดิมไหม ไม่อยู่เท่าเดิมนี่คือความไม่เที่ยงด้วยเหตุที่มันไม่เที่ยงมันถึงทนอยู่ไม่ได้ด้วยเหตุที่ทนอยู่ไม่ได้มันถึงไม่ taxes, เที่ยงอันนี้จังก็คือทุกขังทุกขังคืออันนี้จังมันรับช่วงต่อกันด้วยเหตุที่มันทุกขังนั่นแหละมันถึงเป็นอันนี้จังคําว่าทุกขังคือมันทนอยู่ไม่ได้มันเปลี่ยนไปด้วยเหตุมันเปลี่ยนไปมันจึงอันนี้จังด้วยเหตุมันเปลี่ยนไปมันถึงทุกขังด้วยเหตุที่มันทุกขังมันถึงอันนี้จังเพราะฉะนั้นเห็นอันไน เห็นอันไหนก็เหมือนกันเห็นอนิจจังก็เท่ากับเห็นทุกขังเห็นอนัตตาเห็นอนิจจังก็เท่าเท่ากับเห็นทุกขังเท่ากับเห็นอนัตตาเห็นอนัตตามันเห็นละเอียดลึกซึ้งปล่อยวางรักได้หมดคําว่าอนัตตาหมายกว่าว่าบังคับให้เป็นไปตามใจของตัวเองไม่ได้สักอย่างเลยเมื่อเห็นที่เราบังคับไม่ได้ไม่ให้มันแก่บังคับไม่ได้ไม่ให้มันเจ็บบังคับไม่ได้ไม่ให้มันตายบังคับไม่ได้มันเป็นเราได้ยังไง ถ้าเป็นเราเราต้องบังคับได้ด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงทรงปล่อยหมดเมื่อพระองค์ปล่อยหมดพระจิตของพระองค์ก็เข้าถึงประมังสุขังเลยเข้าถึงความสุขอย่างยิ่งเข้าถึงความวิมุตติหลุดพ้นกิเลสตัณหาอาสวะทั้งหลายหลุดพ้นไปจากวัฏฏิของพระองค์เมื่อก่อนปล่อยไม่ได้ปล่อยไม่ได้วางไม่ได้แม้แต่ความสงบขั้นรูปสมมาบัติอรูปสมมาบัติก็ปล่อยไม่ได้อย่างพวกพราหมณ์เขาปล่อยเขาปล่อยไม่ได้เขาไม่ปล่อย เขาวาวนาใจสงบมกันนะฌานที่หนึ่งที่2อที่สมที่สี่ท่าเรียกวรูปสมาบัติอรูปฌานที่หนึ่งที่สองที่สมที่สาเรียก ว, ว่าอรูปสมาบัติพวกพราหมเขาสามารถมีได้เหมือนอย่างอุทกกระดาบทัลาระดาบดัลลาระดาบทพระพุบดัจ้าไปดปเาระยาบดัลาระดาบาดัลลากะดาบดัุลารดาบดัระดาดัลลาบารบดัลลาระาบัาระาบดัารบดัลลาระบดั้ลาระาดัลระาดัลระดาบาดัลระบดลาจบแล้ว แต่ความประสงค์ของพระองค์นะพระองค์ป ร, งคประสงค์ว่าจะทําลายความทุกข์ในหัวใจให้หมดสิ้นไปจากหัวใจเพราะความทุกข์มันทิ่มแทงอยู่ในหัวใจอาจารย์บอกว่าเธอเรียนจบแล้วพระเจ้าย้อนมาดูพระจิตของพระองค์มีความทุกข์เต็มแปร่อ ย, อยู่ในนั้นะทุกวิตกทุกกังวลทุกห่วงใย ท, ท, ท, ทุกอะไรต่ออะไรสารพัดนะคพระพุทธเจ้าอจบทําไมกองทุกข์ยังเต็มอยู่ในหัวใจหรือน่าจะไม่ใช่ไม่ใช่ พ ร, ระองค์จึงลาไปเรียนไปเรียนในลําพังของพระองค์เองอาจารย์ทั้งสองก็ติดค้างอยู่อย่างนั้นนั่นะคือนิพพานของเขาแล้วน่ะไม่ก ล, าลา้าปล่อยถ้าปล่อยถ้าปล่อยให้เป็นอนัตตาคําว่าอนัตตาปแปล ว, ว่าไม่ใช่ตนคําว่าไม่ใช่ตนถ้าปล่อยไปแล้วเป็นเป็นอนัตตาไปแล้วนะ่ะใครจะเป็นผู้สเสวยสุขยังเสียดายความสุขพระรูปปาาัตตมบัติอรูปปัตตมาบัติมีความสุขมากมีความสุขมีความชุ่มเยน็นในหัวใจมีความสุขมากไม่มีอะไรเปรียบเทียบ เ ม, มื่อตายจากมนุษย์โลกไปแล้วไปเกิดนู่นในอรูปภพรอรูปรพรมอรูปภพเด็กอายุมากอายุแปดมือสีพันกับยืนยาวมากเนี่ยพวกพรหมเหล่านั้นยาวจนสําคัญว่าตัวเองนี่เที่ยงจนศาสนาพราหมณ์สำคัญว่านั่นแหละคือนิพพานของเขาแต่พระุทธเจา้าท่านบอกว่ายังไม่ใช่ตราบใดที่ยังมีภพจํากัดมันก็ต้องมีอายุจํากัดมันก็หมดไปได้แปดมือสี่พันกับมันก็หมดไปได้ พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่าสร้างบรอองารมีสี่อสงไข่แสนมหากัอย่ว่าจะ 4, 10, 8, 8, 4, สี่หมื่นแปดแปดแปดสี่พันกรแสนมหากัรแค่กําไรแสนมหากัรและก็สีอสงไข่อีกและประเภทแปดอสองไข่แสนมหากัรและประเภทสิอาสงไขยแสนมหากัรพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์แต่ละพระองค์ท่าสร้างบารมีอายุ ก, กับเหล่านั้นก็หมดไปหมดไปในที่สุดพระองค์บาเพ็ญจ น, นเต็มจนได้จะรู้กันมีทุกประเภทพระพุทธเจ้าของเรา ประเภทปัญญาธิกัดเสียสงข่ายแสนมหากรรมประเภทศรัทธาธิกัดแปอสงไขยแสนมหากับประเภทวิริยาธิกัดสิบหอสงไขยแสนมหากับบําเพ็ ย, ย, ยนจนเต็มดูที่จิตใจแข็งกล้ายิ่งกว่าเหล็กยิ่งกว่าเพชรไม่งั้นปล่อยไปแล้วถ้าเราไม่หนักแน่นพอก็ปล่อยการตั้งความปรารถนาเป็นพุท ธ, ธเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยปรารถนามากมาย แต่ที่จะได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าจริงๆนั้นนะ่ะเขาโคกับขนโคลเขาโคลสองยังมากไปกับขนโคขนโคมีกี่ขนโคแต่ละตัวแต่ละตัวกับเขาโคเนะี่ยบันที่โคลร้อยร้อยตัวพันพันตัวเท่ากับเขาสองเขาปรารถนาเป็นแสนๆเป็นล้านๆเป็นโกดๆบรรลุได้แค่หนึ่งองค์เพราะไปได้สักระยะหนึ่งครึ่งหนึ่งก็เวลาแล้ว อธิษฐานมาแล้วค่อยคอยเอาตัวรอดก็พอแล้วคอยเอาตัวรอดกับพอแล้วเพราะว่าวัฏสงสารอีกยาวแล้วเกินยาวแล้วเกินแต่บารมีพุทธะเนี่ยท่านไม่ปล่อยท่านเอาจนเต็มดูในพุทธเจ้าของเราเลยประเภทเร็วที่สุดปัญญาที่กะ ย, ยิ่งด้วยปัญญาเสียสงไข่แสนหากับโอ้สงไข่สงไขนี่มันไม่ใช่ธรรมดาและกลับกลกลอีกแสนหมหากับอีกโอ้มันเนิ่นนานสักขนาดไหนโดยจิตจิตของท่านเนี่ยเหนียวแน่นมั่นคงสักขนาดไหน เพราะฉะนั้นเวลาพระองค์มันลุกมาแล้วเนี่ยเวลาบารมีเต็มเปี่ยมมาแล้วไม่ตายด้วยการพยายามของใครชนะหมดชนะด้วยฤทธิ์ด้วยเดช ด, ด้วยปัญญาด้วยอะไรตัวอะไรก็ตามแต่จะไม่ตายด้วยอะไรกับใครทั้งนั้นแหละใครจะไปกองใครจะไปยิงใครจะไปตุ้งก้อนหินใส่เท่าไรบุญบารมีของพระองค์มันมีมากมายมหาศาลที่จะมาคุ้มครองป้องกันเป็นเวรเป็นยามถ้าเราจะคิดพูดเราเป็นเวรเป็นยามมักกะเกณฑ์ให้ ไม่มีอะไรที่จะมาทําให้ตรงได้รับภัยที่บาดจากสิ่งเหล่านั้นเธอทั้งหลายไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงสมัยเกวทัรรมไปพยาบาทไปจะฆ่าโรค์โดยวิธีการหลายอย่างพยายามจะฆ่าในทีสุดเราลงไม้ลงมือจ้างนายขลังสนุกแล้วอะไรก็แล้วไหนสุดเราลงไม้ลงมือเองเกลี่งก้อนหินเกลี่ยก้อนหินใส่แต่ก้อนหินก็ด้วยเวทด้วยกรรมนิดหน่อยที่เกี่ยวข้องกับพระองค์นั่นเองทาให้เศษหินน่ยกระเด็นไปถูก เพื่อูพระชมของพระองค์นั้แค่กลัดเลือดกลัดหนองโลหิตห่อแค่นั้นเองนี่ก็เป็นอนันตริยกรรมอนันตริยกรรมเนี่ยระเทวทัตกับพระพุทธเจ้าเราดูพระเทวทัตกับพระพุทธเจ้าจะชัดที่สุดระหว่างผู้ตั้งความปรารถนาเป็นมารกับผู้ตั้งความปรารถนาเป็นพุทธอันนี้เป็นข้อเป็นข้อคิดเป็นข้อเปรียบเทียบได้ดีเหมือนกันนะตั้งความปรารถนาเป็นพุทธ เป็นผู้เต็มเปี่ยมอิ่มเปี่ยมไปพร้อมไปด้วยเมตตากรุณามุติตาเปรคาไม่เคยเบียดเบียนแม้สัตว์ตัวเล็กตัวน้อยมีแต่เมตตาสงสารเอาใจของตัวเองไปใส่สัตว์นู้นสัตว์นู้นสัตว์นู้นอู้เขาอยากได้อยากดีเขามีสุขอย่างนั้นอย่างนั้นครับทุกข์เขาอยากเขาลำ บ, บากอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเอาใจตัวเองปเป็นแทนใจคนอื่นความทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายในโลกรั้งมมาทําให้ใจข อ, ของพระพธิสัตว์ทุกอยู่อย่างนั้นเลยคือทุกแทนสัตว์ของ ของสัตว์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นปราถนาสัตว์ทั้งหลายมีความสุขจึงอธิฐานตั้งบารมีพอตั้งขึ้นมาแล้วก็สร้างทําเอาถอันบารมีศีลบารมีเนี่กคำมรรคปัญญาเมริยะกัญชิสยะอธิฐานเมตตาเมคาเพียพร้อมนี่ตั้งความปรารถนาเพื่อเป็นเพื่อความเป็นพุทธะไม่เคยเบียดเบียนใครไม่ได้ช่วยช่วยเชื่อยกับช่วยถ้าพูดถึงว่าทานทานทานให้จนหมดเนื้อหมดตัวให้อวัยวะเป็นทานอีกต่างหาก ให้ชีวิตเป็นฐานอี่างหากพวกเราทำได้ไหมให้ชีวิตเป็นฐานให้อวัยวะเป็นฐานอย่างพอมีเช่นอย่างสามีภรรยาสามีไตาวาทั้งสองข้างภรรยาไตาดีทั้งสองข้างสลับให้สามีข้างหนึ่งอยู่คนละข้างนะเหลือไตคนละอันมีชีวิตอยู่ด้วยกันดีเป็นคู่ปรมีกันได้นี่ถือว่าเป็นให้อวัยวะเป็นฐานนะ เป็นทานอุปบารมีอันนี้เราจะพอเห็นนะนี่ในโลกปัจจุบันเรายังพอเห็นถามคุณหมอที่เขาปาดัดเขาทาได้บางทีเก็ เ, เปลี่ยนวัตถ์ใหญ่บางทีเก็ เ, เปลี่ยนอะไรหนวิชาการของหมอท่านรู้จกักดีแต่ว่าให้ชีวิตเปลี่ยนฐานเราเคยเห็นไหมแต่พระพุทธเจ้าท่านทํามาแล้วสมัยท่านเป็นฤาษีอยู่ในป่านั่นนะท่านเห็นแม่เสือลูกอ่อนก็รังจะกินลูกของมันโดด ก็ไปให้ให้แม่เสือตอนกินได้เลยอย่างนั้นมันก็ช่วยลูกของมันไปได้ทั้งหลายวั น, นเวลามันกินกินเราอินมไปแล้วมันก็ช่วยลูกมันได้ไปหลายวันอุทิศชีวิตของเราให้แม่เสือได้กินเพื่อช่วยลูกของแม่ของแม่เสือนี่คือให้ชีวิตเป็นทานสมัยที่จะเป็นกระต่ายสัตว์บันะณฑิตะพระเจ้าของเรานะสัตว์บัณฑิตสัตวบัณฑิตนกระดกเท่าของไฟให้เป็นอาหารของฤาษี โดดโดดเข้ากองไฟโดดข้ากองไฟก็ไม่เป็นเนื้อปิ้งเนื้ อ, อย่างเลยให้เป็นอาหารของดูสีนี่คือให้ชีวิตเป็นทานวิชาเหล่านี้เป็นวิชาที่ได้ยากถ้าไม่เสียสละถึงขนาดนี้ตายก็ช่างเถอะตายเพ่ยงการตายเป็นเรื่องเล็กน้อยเอที่จะมาแลกเปลี่ยนกับคุณสมบัติวิชาความรู้เหล่านี้เพราะฉะนั้นท่านจึงเปรียบ ว, ว่าอา่า เพลเนี่ยเท่ากับมีแต่เป็นกองเพลิงเป็นเท่าฐานทั้งนั้นน่ใจของพระโพธ ส, สัตว์สามารถเดินข้ามไปได้ตายหรือไม่ตายไม่รู้นเลยแต่ใจสามารถเดินลุยตายเข้าไปได้เลยนี่คือความสามารถสามารถถึงขนาดนั้นนะถ้าไม่สามารถไม่เด็ดขาดถึงขนาดนั้ น, นไม่สามารถจะช่วยพุทธบริษัททั้งหลายได้ช่วยคนอื่นให้พน้นจากทุกข์จากโทษในวัฏฏะสงสารใช้ได้มันยิ่งใหญ่ขนาดไหน อันนี้คือการตั้งใจสร้างบารมีเพื่อความเป็นพุทธะมันเป็นเรื่องที่ต้องเสียสละหมดทุกสิ่งทุกอย่างแต่ถ้าเป็นการสร้างบารมีเพื่อความเป็นพญา ม, มารมีแต่โกยเข้ามาโวยเข้ามาโวยเข้ามาโวยเข้ามาเราดูองี้เราดูไม่ยากดอกผู้ที่สร้างบารมีเพื่อความเป็นพญา ม, มารเห็นแก่ตัวสร้างอำนาจสร้างพลังสร้างสมรภัพพวกผู้ที่จะได้ผู้ที่จะเอาผู้ที่จะชนะชนะทุกอย่างเบียดเบียน ถึงข่าก็ข้ า, ขาถึงแกงแคแกงตัดตอนก็ต้องตัดทำอะไรก็ต้องทำคอยได้คอยได้ขอยได้ไดไดใครทุกข์ใครเดือดร้อนใครชีพหายก็ช่างคอยเราได้คอยเราได้เอามากองเท่ากับภูเขาเนี่ยมันจะไม่ได้ใช้ไม่ได้สอยให้คนอื่นไม่มีอะไรอยู่ไม่มีอะไรกินช่างมันคอยเราได้มาใช้มาสอยเป็นสมบัติของเราพอใจยินดีพอใจเอาไปเทียบกับพระพุทธเจ้าเทียบไม่ได้พุทธเจ้าไม่มีอะไรกำลังจะบริโภคเข้าปากตัวเองคนอื่นไม่มีเอาไปให้หมด เขาดูไม่มีสมบัติกีผู้เขาเนี่ไปเกลียไปเกลียแจกจายหมดนี่คือวิสัยของพระพุทธเจ้าเราดูว่าผู้หนึ่งสร้างบา ร, รมีเพื่อเป็นพุทธผู้หนึ่งสร้างบา ร, รมีเพื่อความเป็นพญามารพญามารในที่สุดก็ไปไปพ้นเราดูแต่ท้าว่าสวัสดีมานะนะท้าวสวัสดีมานตอนที่มาผจญพระพุทธเจ้า มา พ, ยาย ร, พระยศพพุทธเจ้าวันที่พระองค์จะตั้งหลักปักฐานที่จะให้ได้บรรลุในวันนั้น e. ในสุด ส, สู้สู้พระองค์ไม่ได้ในสุดต้องเดินตามหลังพระองค์ปรารถนาเป็นพุทธาตามหลังพระองค์เนี่ยตามหลังพระองค์ไปได้เราดูที่พระเทวทัตพยายามแข่งดีกับพระองค์ชนะพระองค์ได้สักอย่างไหมชนะไม่ได้สักอย่างเลยชนะพุทธเจ้า ไ, ไม่ได้สักอย่างไม่ได้สักเรื่องในสุดต้องยอมพระพุทธเจ้าเห็นไหม หลังจากบาปกรรมมันเห็นทันตาแผ่นดินสูบยึบยึบยึบยึบยึบก็ไปเหลือจะคางกันไกลเน่ยโอ้พระองค์ไม่เคยมีโมโหโศโศกริ้วโกรธตอบตอบโต้ อ, ต อ, ต อ, อะไรกับเราเลยมีแต่เมตตาการุณาตลอดแต่เราชั่วร้ายเหลือเกินยังไงยังไงขอพระองค์เป็นที่พึ่งเลยเถอดขอถึงพระพุทธเจ้าขอถึงพระธรรมขอถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกสแล็คแผ่นดินก็ดูดยึบลงไปนั่นไปอยู่ในอาวีจีมานรก เหตุที่มาเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าก็มีผลอย่างนี้สงยุคอันนี้สองนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงมารับผึงกําหนึงถึงว่าอ น, นีอนาคตัตังสยานไปในอนาคตต่อไปพระเทวทัตจะได้มาเป็นพระปัจเจกับพุทธคือพ้นจากอเวจีมหานรกมาแล้วะจะได้มาตรัสรู้เองนะตรัสรู้เองโดยชอบเป็นสัมมาสัมพุทธะเหมือนกันแต่เป็นประเภทปัจเจ้าพุทธะไม่สามารถจะตั้งเป็นบริษัทบริวารเป็น เป็นอุบัติเป็นพุทธบริษัททักงีได้ไม่สามารถจะตั้งเป็นศาสนาได้แต่สอนกันนะพระปัเจนสอนกันแต่ไม่ไม่ตั้งเป็นศาสนามีพิสุภิสณีอุบาสกอุบาสิกาไม่ตั้งเป็นพระปัเจกพุทาบรรลุเฉพาะตัวเองพ้นทุกข์พ้นโทษพ้นภายในตัฏฏสงสารผ่านพ้นไปได้นี่ในที่สุดพยามารเหล่านั้นจะต้องหันตามหลังพระพุทธเจ้าเรามาเห็นว่าวิธีการของเรงถึงที่สุด ถือว่าสูงสุดสูงที่สุดอย่างอื่นถือว่าเป็นการมาตะล่อมมาเพื่อถือเพื่อประพฤติเพื่อปฏิบัติเพื่อที่จะเตรียมพร้อมเพื่อจะมาเป็นพุทธบริษัทของพระองค์นะไม้แต่ลนที่หลายหลายหน้ที่สมัยพระองค์เสวยหาในสมัยนั้นสมัยที่พระองค์ประกาศพระศาสนาใหม่ๆเช่นอย่างพระองค์ไปสอนพวก อ, อุรุปรักษา ป, ปะเงี้ยอุรุปรักสา ป, ปะเขาก็พาลูกศิษย์บูชาไฟ แต่เขามีความสําสคัญเพราะเขาเป็นพระอรหรันต์พุทธยาก็ไปสอนสอนไปสอนไปแล้วก็ดูข้างในเขาด้วยถ้าหากเขายังไม่เลื่อมใสเต็มที่จะยังจะยังไม่ใส่ทีเด็ดยังไม่ใส่พอเห็นเข้าใจอ่อนน้อมเต็มที่ใส่ทีเด็ดเข้าไปเลยกษัตริย์เขาจะสําคัญทุกครั้งว่าเขาเนี่ยเป็นพระอรหรันต์พุงตีเจ้ามีฤทธิ์มีเด็ดมีอภิญญาขนาดไหนก็ตามสู้เขาไม่ได้เขาเป็นพระอรหันต์สู้เราไม่ได้เราเป็นพระอรหรันต์ ที่ใดที่ก็สู้นังนัเข้าไอ้เขาว่าสู้เราไม่ได้เราเป็นพระอราหันต์นี่มีแต่ปากเฉยแต่ใจมันยอหมดแล้วลุงติยาท่านดูปที่ใจเขาเห็นได้ไหใจยอหมดแล้วเราก็ทรงตรัสกสปะกสปะเธอสําคัญเฉพาะเจ้องเป็นพระอราหันต์แท้ที่จริงข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอราหันต์เธอก็ยังไม่รู้จักโอ้โแทงใจําหัวเข่าอ่อนยักราบปลกปลอกปลอกปลอกขอบวชขอบวชทั้งหมดเลยนี่ เป็นลัที่อื่นเหมือนเหมือนกับเป็นการเตรียมตัวเพื่อที่จะเป็นผู้จบทศักด์ของพระองค์พวกครูต้องบอกพวกครามพวกอะไรยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยอย่าลื ม, มว่าพระพุทธศาสนามาอุบัติท่ากลางศา ส, สนาพราถ้าพระองค์ไม่เด็ดขาดจริงๆรเนี่ยอนัตตาไปอุบัติท่ากลางอัตตาเรมคิ ด, ดูมาพิจารณาดูที่วัะนั้นก็ถืออัตตานะแต่ศาสนาพุทธเจ้าไปอุบัติทั่ากลางอัตตาคืออนัตตา โดยเห็นที่บังคับบัญชาเปลี่ยนไปตามใจหวังไม่ได้นี่เองจึงเป็นนนัตตาพระองค์มีแต่ให้ศึกษารู้เท่าทันแล้วก็ปล่อยศึกษารู้เท่าทันแล้วก็ปล่อยเห็นรูปพิจารณาศึกรู้เท่าทันแล้วก็ปล่อยได้ยินเสียงได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสมีความชอบใจด้วยรูปด้วยนามด้วยอะไรต่ออะไรก็ตามแต่พิจารณารู้เท่าทันแล้วก็ปล่อยพิจารณารู้เท่าทันแล้วก็ปล่อยไม่ผูกพันไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่น ไม่อุปาฐานไม่ยึดเอาไม่ถือเอาด้วยเหตุที่เรายึดอยู่รับไว้นี่เองเราจึงมีพระมีชาติไม่จบไม่สิ้นนี่คือวิธีการที่พระพุทธเจ้าทั้งสอนเราได้พูดธรรมม า, มาเป็นเวลานาน <c oughs> <c oughs> อโอ้มันไม่ใช่ค่อยๆเหมือนกันนะห้าสิบกว่านาทีก็น่าจะพอสมควรจะเวลาแล้วเราได้พูดถึงวิธีที่ ทําพฤติกรรมของเราให้ได้ความทุกข์ยากความลําบากวิธีที่จะทําทพฤติกรรมของเราใ ห, าใหไ้ได้รับความสุขความเจริญวิธีที่ดีที่สุดที่เยี่ยมที่สุดที่ตรงเป้าที่สุด<ม>ก็คือวิธีที่พุทธิยถาท่าทนสอนนั่นเองท่านสอนให้เราเจริญอริยมรรคในองแบบในนั้นประกอบไปด้วยศีลประกอบไปด้วยสมาธิประกอบไปด้วยปัญญาสรุปลงแล้วเรียกว่าอริยมรรคมีองแบบ เป็นทางปฏิบัติอันประเสริฐอันนี้มันเกิดขึ้นเป็นทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าท่านท ร, รงอมตรรมตร์ทรงแสดงไว้ในในหลักธรรมจักกับพระธัตว์สูตรว่าคนที่ประพฤติปฏิบัติในยุคนั้นในสมัยนั้นประพฤติยิ่งเกินไปก็มีย่อนเกินไปก็มีเช่นอย่างประพฤติอ่อนย่อนยานเกี่ยวกับเรื่องของกรรมเอื้ออํานวยให้เกิดเกี่ยวกับเรื่องของการม มันไม่ใช่ข้อปฏิบัติเพื่อละกิเลสมันเป็นการบำรุงกิเลสมันเป็นการเสริมกิเลสมันเป็นการบำรุงกามนี่ถือว่ากามมาสุ ข, สขานิการโยและประเภททรมานกายเฉยๆไม่ได้ทรมานใจไม่ได้มีปัญญาพิจารณารู้ว่าอะไรเป็นเหตุเกิดให้ดับให้เป็นทุกข์เป็นโทษในหัวใจทรมานกายเฉยๆเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าท่านทำนะเช่นอย่างท่านกัดฟันด้วยฟัน เอาลมากดลมด้วยเพาดานเอาเอาลิ้นเอาลิ้นไปกดเพาดานนี่เขาเรียกกั้นแล้วก็กั้นลมไม่ให้ลมออกทางจมูกไม่ให้ลมออกทางปากลมไม่มีที่ออกลมไม่มีทางออกมันก็ออกทางหูอู้เสียร้อนเนพระวรากายนี่คือธรรมาร่างกายมีความนึกคิดอยู่ว่าทําอย่างนี้แหละเราจะได้เข้าถึงธรรมเราจะได้เข้าถึงธรรมอันนี้เขาเรียกว่าอัตตกิรามัทธารโย แต่วิธีการที่พระองค์มา ส, งสม่งสอนเสียสมาธิปั ญ, ญญานี้เป็นทางสายใหม่ที่เขาเรียกว่ามัชฉามาปฏิปทาเป็นทางสายกลางในเมื่อเส้นทางหนึ่งหย่อนเกินไปเส้นทางหนึ่งตึงเกินไปไมันจะต้องมีเส้นทางกลา ง, ลางมัจฉามาปฏิปทาอันนี้หมายความว่าเราทํามากน้อยเท่าไหร่ก็ตามไม่ถือว่ายิ่งเกินไปไม่ถือว่าย่อนเกินไปถือว่าเป็นการทําถูกทํามากถูกมากทําน้อยถูกน้อยแต่ทําไม่ทำไม่ถูกเลยไม่ทําไม่ถูกไม่ถึง ทำมากตั้งใจทำมากถูกมากตั้งใจทำน้อยถูกน้อยทำจนให้ใกล้จะเป็นให้ตายเขมเหลาเมเหลนี่เหมือนอย่างกูบาจา่าท่านภาวนาอดนอนพรอนอาหารทรมานถึงเป็นถึงตายขนาดไหนก็ตามท่านถือว่าไม่ถือว่ายิ่งเกินไปเพราะถ้าไม่ทำอย่างนี้เกล็ถ้าเราไม่ขูดไม่ขัดไม่ดักแปลงถึงขนาดนี้แล้วมันจะสู้มันไม่ได้หมดแต่ไปอ้อยอิงกับมันไม่ได้ส้ำอ้อย กลับมันไม่ได้ต้องเอาเป็นเอาตายถึงขั้นนี้ถึงระดับนี้เพราะฉะนั้นวิธีการของพระองค์จึงเป็นวิธีการที่ทะลุทะลวงไปได้ตอนพระองค์ใกล้เยาะพระริพพานพราหมณ์ก็ทูลถามว่าบรรดาลัทธิทั้งหลายมีครูทั้งหเป็นต้นเขาว่าเขาเป็นพระอรหันต์เป็นพรนอะอรหันต์พระองค์ไม่ตอบพระองค์ก็ตอบว่าศาสนาใดก็ตามมีอริยมรรคมีโอเปศศาสนานั้นศาสนานั้น มีพระอาหารหันต์มีพระอาหารหันต์แล้วศาสนาที่มีมัสมีองค์แปดก็คือมีแต่ศาสนาของเราเท่านั้นที่พุทธเจ้าท่านสอนเพราะศาสนานี้เป็นศาสนาที่มีได้เป็นได้ด้วยก า, ารสั่งสมอบรมบุญญาบา ร, รมีไม่ได้นอนหลับตื่ น, ต, นตื่นและนอน<ม>นอนนอ น, นอนหลับแล้วตื่นตื่นแล้วหลับหลับแล้วตื่นแล้วได้บรรลุธรรมไม่ใช่นอนดั่งใจบำเพ็ญด้วยเรี่ยวด้วยแรงฟัง้ว่าทานบา ร, รมี ทานอุปบารมีทานป า, ปารมิธุมปารมีให้อวัยวะเป็นทานให้ชีวิตเป็นทานฟงังธรรมาให้ชีวิตเป็นทานถ้าไม่เสียสละเดี่ยวแรงถึงขนาดนี้อย่างนั้นแล้วก็เนคขมะมีการออกบวชมีการทําบัญญาอย่างยิ่งมีการตั้งใจรักษาศีลอย่างยิ่งมีเจริญเมตตากรุณามุติตาเบคาเจริญอย่างยิ่งรวมไปถึงอุเบกขาความวางเฉยนี่ก็เป็นบารมีอีกอย่างหนึ่งอีกเหมือนกันนี่ การตั้ง อ, อกตั้งใจสร้างคุณงามาความดีบา ร, รมีเหล่านี้จึงเป็นเหตุทําให้ปัญญาเต็มตื้นขึ้นมาเห็นช่องออกออกจากวัฏฏะสงสารออกจากกอบทุกกองโทษในวัฏฏะสงสารแล้วก็พาพุทธบริษัททั้งหลายตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามพ้นทุกพ้นโทษในวัฏฏะสงสารไปตามๆกันนี่คือสร้างบา ร, รมีเพื่อความเป็นพุทธะพวกเรารู้ข้อปฏิบัติเข้าใจได้ยินได้ฟัง ได้อบายได้วิธีเอาไปถือเอาไปประพฤติเอาไปปฏิบัติมาลำพึงถึงปีเก่าที่ล่วงมาเราขาดความสุขตรงนั้นได้รับความสุขอย่างนี้อ้ความสุขอย่างนั้นเราเคยทํามาขอให้เราทําตั้งใจทํายิ่งๆขึ้นไปถ้าเราเคยทําในสิ่งที่ไม่ดีมา <c oughs> ก็ให้เราลดเราละพยายามสร้างพฤติ ก, กรรมใหม่เพื่อดัดเพื่อแปลงชีวิตของคนทุกคนนั้นไม่สายสําหรับการมาฝึกฝืนอบรมมาดัดมาแปลงแม้แต่เครื่อสุดท้าย ที่จะตายแล้วน่ะดัดแปลนหน้าตอนนั้นเนี่ยบรรลุธรรมไปได้ก็มีมีเป็นส่วนมากไปดูในตํานานที่ท่านพูดเอาไวนะ้เนี่ยครูบายใจที่ท่าท่านตั้งใจรักษาศีลปฏิบัติธรรมมาจนตลอดอายุขของท่านเวลาท่านใกล้จะตายท่านมาระลึกแค่ศีลว่าโอ้ศีลของเราบริสุทธิ์จริงเนาใจปุ๊บบีดีอินดีเจอวิปัสสนาตอนนั้นเนะ่ยปุ๊บปั๊บเข้าถึงความเป็นพระอารหันต์ตัดเกลียดหมดอ่า คนทุกคนโทษใหนวัตัดสองสารไปได้นี่หมายความว่าแม้แต่เหือสุดท้ายก็ไม่ให้เราประมาทเราสามารถจะมาดัดมาแปลงมาแก้มาไขมาปรับปรุงมากลับเนื้อกลับตัวได้ทุกระยะทุกวันทุกเวลาทุกนาทีว่างั้นเถไม่สายเกินสาหรับใครๆที่จะกลับเนื้อกลับตัวเพราะฉะนั้นในเมื่อเราสร้างสิ่งที่ไม่ดีมาแล้วเราก็ย้ำปรับปรุงเอาตายยางมันเิกเลิกเิกเลกเล้เราทุกอย่างเราเลิก เอาเป็นเอาตายเข้าใส่เลยเลิกเลิกให้ได้เลิกให้ได้มันจะต้องเลิกได้หวังความสุขหวังความเจริญอย่างแท้จริงยอมเสียสละความสุขความสุขที่เห็นไปตามนักเขาเกลียดเพื่อความสุขความเจริญชอบด้วยธรรมท่านทั้งหลายตั้งอกตั้งใจฝึกฝนอบรมศีลทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้มีผลมีอนิสงส์ปอยตั้งอกตั้งใจทําตลอดจากวันนี้ไปจนถึงวันตายตั้งใจให้ทานตั้งใจรักษาศีล ตั้งใจภาวนาให้ใจ้รับความสงบและตั้งใจเจริญวิปัสนาเจริญปัญญาให้เห็นทุกเหตุโทษทำลายอนิจจังทุกขงทำลายความหลงยึดว่าเป็นนิจจังว่าเป็นสุขขังว่าเป็นอัตตาให้เห็นรู้ให้รู้ให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใ น, นเมื่อเราตั้งความปรารถนาอยู่อย่างนี้หัวใจของเราก็จะเต็มตื่นไปด้วยผลด้วยอนิสง์ คนอันดับสองทั้งหลายเหล่านี้จะตามทำบุยบวชชัยให้พรกับพวกเราทั้งหลายมีความเจริญมีความสุขมีความหวังพึ่งเป็นพึ่งตายกับบุญกับกุศลกับศีลกับทานกับการตั้ง อ, อกตั้งใจเสียสละด้วยเรี่ยวด้วยแรงของเราอย่างแท้จริง <c oughs> ก็จะประสบกับเรากับท่านโดยทั่วต่าง อ่า mm. ah, จะมองพอดี